แม่เมยหนาวแย่แล้วมันหนาวขว่ากรุงเทพเสมพงศ์มาก่อนว่าไงเมื่อวานก็ม า, มาเห่มาบ่อยวันนี้ <c oughs> ว่างเหรอดีละร้อนวันหวแ ล, ล้วก็เหนื่อยเออดีแล้วไปไหนมาวัดสบายาไม่โศกันบ้านาแม่มเมย์บามาให่หลวงพ่อมาอือ <c oughs> <c oughs> เป็นไงล่ะภาวนาเป็นเไงบ้างปัจจบันบทุกวัน ด, ด, ดีแก้ไขได้เองแล้วแบบอย่างที่ใช่ใจใชยดูไปเรื่อยๆ เ, นะเคยรู้ทันความปรุงแต่งใจเราจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรารู้ทันความปรุงแต่งเรารู้ทันไปถึงจุดหนึ่งมันหมดความปรุงแต่งไปใจมันพ้นความปรุงแต่งเน่ยมันก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งไปเห็นฐฐนิพพานได้เห็นเองนะ เราไม่ต้องไปดิ้นรนหานิ r v าน a ให้เราคอยรู้ความทรงจำรู้กายรู้ใจไปเขาปลูกอะไรก็ค่อยรู้ไม่ต้องไปช่วยเขาปลูกจริงๆง่ายๆมันง่า ย, ง, ายง่ายนะทําไปถึงจุดนึงแล้วง่ายแล้าคอยสังเกตใจเราใจเราชอบหนีิปคิดต่ที่หนีไปบ่อยที่สุดก็คือหนีิปคิดหนีมากที่สุดอันนี้ไปคิด ให้เรารู้ทันมันถ้าเรารู้ไม่ทันนะมันจะคิดยาวปรุงแต่งยาวถ้ารู้ทันความปรุงแต่งเลยความคิดมันก็ขาดไปแล้วก็จะตื่นขึ้นมาตื่นบ่อยๆไม่บังคับนะนิดหนึ่งก็ไม่บังคับเขารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเล่นๆไม่มีทําอะไรล่ะตอนนี้ยเมื่อกี้นี่ทําอะไรเฮ้ยเฮ้ยเขาเปนเ ให้เป็นไหลหเติบไปนีดให้ค่อยรู้ไปเนี่ยเราส่งใจไปทำงานแล้วนะแคนนี้เราก็ส่งใจไปทำงานละส่งส่งไปดูส่งไปอะไรนี่คือเราไม่ได้คิดว่าต้องไปดูโน่นอันนี้แล้วเรียกว่าทำงานพีแค่เราส่งไปเที่ยวจะไปดูว่าจะดูอะไรก็ทำงานเสร็จแล้วส่งออกแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆรู้ไปรู้ไปเท่าที่รู้ได้ไม่รีบร้อน การปฏิบัติธรรมจะต้องไม่รีบร้อนขยันแต่ไม่รีบร้อนขยันหมายถึงว่าดูทุกวันดูเรื่อยๆดูบ่อยๆแต่ไม่รีบร้อนลุกลี้ลุกรนว่าทํายังไงจะดูได้ถูกต้องทํายังไงจะรู้เร็วๆอะไรเงี้ยยิ่งรีบร้อนยิ่งช้ายิ่งลุกลี้ลุกรนยิ่งปุ่งแต่งอยากพักจิตก็ทําสมถะ ทำไม่ได้ก็สวดนมนต์ไปก็ได้หรือนะคิดก็ได้ใช้ความคิดนะคิดว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่เที่ยงมไม่ใช่ตัวเราเป็นของว่างเปล่าอะไรเงี้ยการคิดนี่แหละเป็นการทำสมถะไี่อยากเพ่งไม่เพ่งสิใช้คิดเอาใช้คิดเอาใช้คิดเรื่องร่างกายของเรานะตั้งแต่ผมถึงเท้าเท้าถึงผมมีแต่ของสกปรกอะไรเงี้ย มีปฏิกูลนะไม่อาบน้ำไม่สระผมประเดี๋ยวเดียวก็เหม็นอะไรเงี้ยนี่นคิดเ็งนี่เป็นสมถะคือถ้าเรากลัวการเพ่งเราก็ใช้การคิดเอาสมถะทำได้หลายอย่างเพ่งเอาก็ได้คิดเอาก็ได้แต่วิปัสสนาทำได้อันเดียวต้องรู้เอารู้กายรู้ใจรู้อย่างอื่นก็ไม่ไดไ้รู้เรื่องที่คิดก็ไม่ได้ต้องรู้กายรู้ใจ วิวออปัปสนาจริงๆจงใจทำไม่ได้ทำยากกว่าเดิมเยอะเลยอืม ไ, ไม่ต้องทําไง <c oughs> ไม่ได้บอกให้เมย์แม่เมย์เป็นนักสมาธินะถ้าแม่เมต้องการให้จิตใจได้พักผ่อนนะใช้คิดพิจารณาร่างกายเอาพิจารณาชีวิตเราก็ได้ทุกอย่างในชีวิตเราผ่านมาแล้วผ่านไปหมดเลย คนที่เราเคยรู้จักนะล้มหายตายจากไปเรื่อยๆในตอนเราเด็กๆคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีเยอะแยะมาถึงวันนี้เกือบจะหมดแล้วอะไรเงี้ยชีวิตไม่แน่นอนอะไรเงี้ยคิดเรื่องความตายคิดเรื่องอาสุภะอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสมถะทั้งนั้นเลยสมถะที่เกิดจากการคิดหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ได้คิดถึงครูบาอาจารย์ก็ได้ ใช้การคิดเอาแล้วก็จิตใจก็จะสงบลงมาไม่ต้องไปนั่งเพ่งนะเดี๋ยปิดเพ่งแต่ก่อนทำสมถะลึกเกินไปเพ่งนี่ตอนนี้จิตใจเราถอดถอนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้เพ่งนะก็ดีแล้วนี่เพียงแต่บางวันต้องการความสงบสุขแล้วก็คิดพิจะะารณาเอาการคิดพิจารณาเอาแล้วก็ได้สมถะ ไม่เมยใจลอยแล้วทราบไหมแม่เมยคอยดูไปแค่นี้แหละใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้ไปหนีไปแล้วทราบไหมถหล่มไปละแค่รู้เท่านั้นนะรู้ไปเรื่อยๆรู้สบายๆทีเป็นไง่ดีแล้วดูไปนาะ โอเคเดินไปอ่ะมาการสมพงศ์ข้างไงโยใช่สิต้องมีเวลาให้กับตัวเองใช่สิต้องมีเวลาให้ตัวเองเยอะๆหน่อยเรียนรู้ตัวเองก็ต้องให้เวลากับตัวเองเี่ยเรียนรู้โลกข้างนอกก็ให้เวลากับโลกข้างนอกเรียนรู้ตัวเองเยอะๆการเรียนรู้ตัวเองนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกกรรมฐานทั้งหมดเลยนะ ถ้าอยากทำนิพพานนี้ทิ้งการรู้ทุกข์ไม่ได้นะหลังๆนี่คนชอบทิ้งทุกข์เริ่มมีคำสอนประลาดๆประเภททิ้งทุกข์เยอะเลยนะบางคนอ้างหลวงปู่ดูลด้วยนะหลวงปู่ดูลสอนบอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็เลยไปทำความว่างความสว่างความบริสุทธิ์ขึ้นมา ว่าทำยังไงจะว่างทําไงจะสว่างบริสุทธิ์หลวงปู่บอกให้หยุดทำตท่างหากักท่านเคยดูพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งบอกว่าจะทําความว่างท่านดูว่าไอ้อย่างนั้นมันไม่ใช่หยุดจริงไปทําขึ้นมานี้จิตใจที่บอกว่าว่างสว่างหรือมหาสุญญตาอะไรนี่ไม่เป็นปลายทางไม่ใช่ต้นทางต้นทางต้องรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจ เราจะวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ พ, พุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์รู้กายรู้ใจตัวเองพอ ร, รู้กายรู้ใจเห็นทุกข์แจ่แจ้งรู้ว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัณหามันจะดับคือความทยานอยากของจิตเนี่ยที่จะเนื่องในกายเนื่องใ น, ในใจก็ดับไปพอตัณหาดับเนี่ยสุญญตาหรือนิพพานก็จะปรากฏขึ้นเองอัตโนมัติ เพราะั้นสุญญตาลนิพานปรากฏขึ้นเนี่ยเพราะมันหมดตัญหาหมดความอยากไม่ใช่อยู่ๆก็ไปทิ้งทุกข์จิตจะหมดปัญหาหมดความอยากได้ต้องรู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จะหมดการดิ้นรนของใจทุกวันนี้เราเห็นว่ากายใจเป็นตัวเราก็ต้องดิ้นรนเยอะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนสร้างกุศล ติ้นรนหนีอกุศลอะไรย่างเงี้ยใจจะดิ้นดิ้นตินไปเรื่อยเื่หลังหลังนี้เริ่มมีคําสอนแปลกแปลกเนะดูสุญญาตานี่เยอะนะเยอะเริ <Yeah. S 1> ่มมีหลายสํานักหลายคนสอนบางคนสอนบอกให้หายใจเข้าไปลมหายใจไปสุดอยู่ที่ไหนนะให้ไปดูที่นั่นเอาสติเอาจิตไปตั้งไว้ให้ดูจิตอยู่ที่สุดทางลมนะแล้วให้กําหนดจิตให้ว่างไปเลยตอนหายใจออกหายใจออกนี่ให้ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลย แล้วแบบรรลุฆราหันกันเยอะแยะเลยต้องจิตเาไมลึกเลิกแล้ให้สแล้วสอนให้ให้ลึกที่สุดจจริงอืออ่ี้เยอะมากได้ยินเออเยอะเยอะมากเลยแล้วมานั่งแก้กันเต็มไปหมดเลยนะพวกฆราหันอ่ะฆราหันสักพักหนึ่งเพราะว่ากิเลสยั่วเยอะขึ้นมาอีกละมาต้องมานั่งเริ่มต้นใหม่พุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้ไปสอนให้รู้สุนยตามันจะเก่งกว่าพระพุทธเจ้า หรือบางคนบอกว่าพอเจออารมณ์อะไรนะปัดทิ้งให้หมดเลยทำใจให้ว่างลูกเดียวการที่ปัดทิ้งนั่นแหละมันก็คือการกระทําอันหนึ่งเมื่อเป็นการกระทําอยู่มันทําด้วยตัณหาร้วนๆตัณหา ย, ยัางอยู่นิพพานไม่ปรากฏสุญญาตาไม่ปรากฏนะนี่เป็นฝืนกับหลักธรรมคาสอนผู้วิชาวยิออ่งเล่าให้ฟังนะเราต้องระมั่ระวังยิ่งนานวันนะมันยิ่งเยอะแต่ก่อนนี้ไม่มีคนดูจิตหรอก มี่จะคนดูกายตอนหลังๆนี้หลวงปู่ดูลนี่ใครๆก็รู้จักก็อ้างหลวงปู่ดูลนกันใหญ่อ้างคําสอนของท่านไปเอาถ้อยคําของท่านมาไม่รู้ว่าถ้อยคํานั้นอยู่ในบริบทอะไรเนี่ยละทิ้งตรงนี้ไปอ้างมาเป็นท่อนๆๆแล้วม า, าตีความถ้าตีความแล้วไม่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องรู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แกมแจ้งสมุ ท, ทยัยไป็นอันละไปเอง หลงูเทศก็เคยสอนอย่างนี้ถ้ารู้ทุกแจมแจ้งคือรู้กายรู้ใจแจมแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เนะ่ยสมุทยัยคือตันหาจะถูกละไปเองก็มันเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันก็หมดความอยากที่จะหาความสุขหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจมาให้กายให้ใจหมดความอยากที่จะดิ้นรนให้กายให้ใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เ, นเรียกว่าภาวะตันหา หมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเนี้ยดับศูนย์ไปตัวอยากให้กายให้ใจดับศูนย์ไปก็ตัววิภวตัณหาเออเห็นความจริงแล้วกายใจนี้ไม่ใช่เราลันก็หมดความอยากที่จะหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินมาให้การมาตัณหาดับไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากเป็นอะไรเพราะรู้ว่ามันไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรามันเป็นส่วนหนึ่งของโลกเพราะว่าตัณหามันก็ดับ ถ้าตัญหาดับสนิทดับรอบเนี่ยนิพพานก็ปรากฏสุญญ า, าก็ปรากฏขึ้นอันนี้โรดก็คือความดับสนิทของปัญหานี่สภาวะของสสุญญาตากับสภาวะของความว่างที่ทําขึ้นมาเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่ทําขึ้นมานะมันก็คือทําด้วยปัญหายเริ่มจากกิเลสก่อนแล้วก็ละเลยการรู้กายรู้ใจสิ่งที่ไปรู้ได้นะคือช่องว่าง อากาสานั้นใจยตนะหรือสูงที่สุดเลยคืออากิจานจันจัญญายตนะความไม่มีอะไรเลยเลยบอกว่าอยู่กับความไม่มีอะไรเลยสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่ก็มีพระรูปหนึ่งท่านก็พระผู้ใหญ่นะกําลังท่านก็ภาวนาเก่งท่านได้ยินหลวงปู่พูดเรื่องว่างๆเรื่องนิพพานเรื่องนิพพานอะไรนะท่านก็ทําสมาธิอย่างนนะั้นแล้วท่านก็ถอดจิตทนะ่านลอยขึ้นไปนเหนือแม่น้ำโขง สรงจิตลงมาดูเมืองเวียงจันเวียงจันก็หายไปไปดูหนองคายหนองคายก็หายดูอุดร อ, อุดรหายดูโลกโลกหายดูตัวเองตัวเองหายหมดเลยท่านบอกเนี่ยท่านปัดความปรุงแตง่งปัดรูปนามทิ้งไปหมดแล้วกลับมาหาหลวงปู่ดูหลวงปู่พูดนิดเดี่ยวเคยได้ยินไหมขันหนึ่งขันสี่ไม่มีประมาณเนาะ ปัดรูปทิ้งไปหมดก็เหลือแต่ขันสีเหลือแต่นามมาขันบางคนปัดนามทิ้งวิธีปัดนามทิ้งก็คือจะทำอสัญญีอสัญญาสัตตาภูมิอย่างกำหนดแต่รูปลูกเดียวเลยทิ้งนามลืมไปว่านิพพสนาต้องเริ่มสียการแยกรูปแยกน้ำรูปอย่างกายเนี่ยยืนเดินนั่งนอนรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่นี่เป็นรูปใจที่ไปรู้เป็นน้ำ แยกรูปแยกนามมีบางคนทิ้งทิ้งนามเลยจะเอาแต่รูปเพ่งอย่างขยับมือใช้หยิบใช จ, จับลูกบิดประตูนี่นิ้วแต่ละนิ้วนะั้นจะดิกคลิกคลิก ค, ก ค, กคกนะเห็นหมดเลยจิตมันจ้องแต่รูปเย่นเดียวนะทิ้งนามไปเลยนะการเพ่งรูปสุดขีดเนี่ยมันจะได้รูปประชานะรูปประชานที่สนีะ่จิตนิ่งเลยจิตหมดความรูม้สึกเสร็จแล้วถ้าคนไหนไม่ชอบนามนะมนี่ดับนามลงไป เข้าอสัญญาตัวแข็งเลยตัวแข็งบดความรู้สึกทางเบี่ยงเบนนี่มีมากมายนะต้องจับหลักคําสอนพุทธเจ้าให้ดีท่านบอกให้รู้ทุก์ให้รู้รูปรู้นามถ้ารู้รูปถูกต้องก็จะรู้นามถ้ารู้นามถูกต้องก็รู้รูปนะรูปกับนามเหมือนเหรียญคนละด้านด้านเหรียญเดียวกันแต่คนละด้านหยิบด้านหนึ่งขึ้นมาอีกด้านหนึ่งต้องติดไปด้วยเราไม่ทิ้งอันหนึ่ง ใครรู้ไปเรื่อยๆเรามันมีขันห้าเป็นสัตว์มีขันห้าก็เรียนขันห้านั่นแหละเรียนทั้งรูปทั้งนามพอเราเห็นแล้วเอกายใจรูปนามไม่ใช่ตัวเราความอยากความทิ้นรนคือตัณหาสามอย่างที่ว่าตัณหาสามอย่างรวมความแล้วมันก็คือมันอยากให้มันมีความสุขอยากจะพ้นจากทุกข์นั่นแหละบางคนภูมิปัญญาน้อยหน่อยก็วิ่งหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจจะได้มีความสุขวิ่งหนีอารมณ์ที่ไม่พอใจ บางคนก็กำหนดจิตให้ไปอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งสภาวะตัณหาบุคคลก็หนีจากสภาวะทั้งหลายก็วิภาวะตัณหาสับใดที่ยังมีการกระทำอยู่สับนั้นไม่หมดความปรุงแต่งสับใจไม่หมดความปรุงแต่งสุญญาตาหรือนิพพานไม่ปรากฏหรอกนั้นรู้กายรู้ใจไปนะรู้ไปตามธรรมดาตามธรรมชาติครูเจ้าสอนง่ายๆไม่ได้สอนอะไรลึกลับ อย่างการรู้กายนะี่ท่านสอนง่ายๆพิสูจทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดอย่างเงี้ยเหลยวซ้ายแลกขวาก้าวไปถอยหลังง่ายๆแค่รู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นร่างกายนี้มันเคลื่อนไหวไปร่างกายที่เคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวไปใชจเป็นผู้รู้ผู้ดูหรือเวลาดูจิตดูใจนะั้นก็ไม่ได้สอนมากมายอะไรสอนง่ายๆ จิตมีราคาหรือว hmm ่ามีราคาไม่มีราคาหรือว่าไม่มีราคาอะไรมีโทสะหรือว่ามีโทสะไม่มีโทสะหรือว่าไม่มีโทสะมีโมหะหรือว่ามีโมหะไม่มีโมหะหรือว่าไม่มีโมหะจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านจิตหดหูหรือว่าหดหูมีแปดตัวสี่คู่อีกสี่คู่เป็นของคนทําฌานเราไม่ต้องเล่นไม่มีจะเล่นเป็นจิตเป็นมหคตะไม่เป็นมหคตะอะไรย่างเงี้ยเราไม่มีอ่ะ เรามีแต่ไม่เป็นมหัพทะงั้นดูง่ายๆดูจิตที่มันมีกิเลสเกิดขึ้นน่แล้วกิเลสก็หายไปจิตที่มีกิเลสเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสแทนความจริงในแปดตัวหรือสี่คู่นี้ปฏิบัติจริงๆคู่เดียวก็พอเรียกว่าจิตในจิตจิตในจิตหมายถึงว่าเราเรียนจิตส่วนน้อยแล้วก็รู้จิตส่วนใหญ่ทั้งหมดคล้ายๆการทําวิจัย เราทำวิจัยเราสุ่มตัวอย่างมาทำวิจัยพอเราเข้าใจไอ้ตัวอย่างที่เราศึกษาแล้วเราจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะการศึกษาธรรมะท่านเรียกว่าทำมาวิจัยเหมือนกับการวิจัยเหมือนกันนะแค่เรารู้นะเราเอาจิตทั้งหมดจิตทั้งหมดที่พวกเราจะมีได้กุตุชนมีได้เนี่ยนะก็ตัดพวกโลกุตตระจิตตัดพวกมหากิริยาจิตอะไรออกไปนะกุตุชนก็มีจิตไม่มากนะขาดจิตไปหลายดวง เอาจิตที่เหลือเอาจิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยใส่ตะกร้ารวมกันไปถ้าแบ shuffle, <Laser. S 2> ่งด้วยราคะก็แบ่งได้สองกลุ่มคือจิตมีราคากับไม่มีราคาถ้าแบ่งด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโทสะไม่มีโทสะถ้าแบ่งด้วยโมหะก็มีสองกลุ่มจิตที่เผลอไปกับจ <co> ิตที <co pp led> ่รู้สึกตัวนี่แนะนําให้พวกเราดูจิตที่เผลอกับจิตที่รู้สึกตัวถ้ารู้ทันตรงจิตที่เผลอเนี่ยจิตจะไม่มีราคาโทสะ ชาติโทสะเป็นลูกของจิตที่เผลอไปยันถ้าใจเราเผลอไปแล้วเรารู้เผลอไปแล้วเรารู้อย่างที่อาจารย์สุรวัตรเขียนว่เผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยจิตที่เผลอเนี่ยจะเป็นตัวแทนของจิตอกุศลเราจะเห็นเลยว่าจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของจิตฝ่ายกุศลสั่งให้เกิดไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันไม่เกิดเราสั่งให้เกิดไม่ได้ เมื่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเรารักษาไว้ไม่ได้มีแต่คำว่าไม่ได้ในสุดก็จะเห็นความจริงเลยจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่เที่ย ม, มจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็บังคับไม่ได้จะเห็นภาพรวมเข้าใจภาพรวมเราก็เอาจิตเท่าที่เรามีนั่นแหละจิตที่เรามีก็มีไม่เท่าไหร่หรอกเป็นจิตอกุศลส่วนใหญ่หยาบหยาบแล้วก็พวกมหากุศลธรรมดา ไม่ต้องเรียนอะไรเยอะหรอกเรียนนิดเดียวอย่างการเรียนรูปเรียนกายเหมือนกันสอนกายในกายหมายถึงว่าเรียนกายส่วนน้อยเรียนตัวอย่างของกายแล้วก็เกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายทั้งหมดอย่างสิ่งที่เรื่องว่ากายนะมันคือที่ประชุมกายแปลว่าที่ประชุมนะที่ประชุมของอะไรของรูปจำนวนมากที่ประชุมของเจตสิกของบิบากจิต พูดอย่างนี้เรายุ่มเนะอาพูดง่ายๆก็แล้วกันว่าสมมติว่ากายคือรูปก็แล้วกันรูปมียี่สิบแปดรูปเนะี่แต่เรียนเนี่ ย, เ ร, ย, ร เ, ยเรียนรูปเดียวเรียนรูปเดียวเรียกว่าวินยัตติรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิง่งรูปที่เคลื่อนไหวอย่างการหายใจเข้าหายใจออกนะก็เห็นว่ามันเป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้การรู้อินญาบทสี่นะก็เห็นเป็นรูปที่เคลื่อนไหวได้ การจะขยับทาจังหวะอย่างรูวพ่อเพียนก็คือรูปที่เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่งดูท้องพองยุกก็อันเดียวกันถ้าเราเห็นว่ารูปที่พองกับรูปที่ยุกเนี่ยคนละรูปกันรูปที่พองก็ไม่ใช่ตัวเรารูปที่ยุกก็ไม่ใช่ตัวเราเราก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเห็นว่ารูปที่หายใจออกก็อันหนึ่งรูปที่หายใจเข้าก็อันหนึ่งคนละรูปกันรูปที่หายใจออกก็ไม่ใช่ตัวเรารูปที่หายใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเรา ก็จะเห็นว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเห็นรูปทั้งหมดไม่เที่ยงคือรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนก็จะเห็นรูปที่ยืนไม่ใช่รูปที่เดินรูปที่เดินไม่ใช่รูปที่นั่งที่นอนอะไรเงี้ยรูปแต่ละรูปเกิดดับเกิดดับไปรูปแต่ละรูปไม่เที่ยงเลยเข้ารู้เข้าดูนะเหมือนกันหมดเลยเป็นของที่ใจไปรู้เข้าอะไรก็ได้ ถ้ารู้ว่ารูปยืนอันเดียวนี้ไม่ใช่ตัวเรานะรูปทั้งหมดไม่ใช่เราถ้ารู้ว่ารูปนั่งอันเดียวนี้ไม่ใช่เรานะรูปนั่งรูปทั้งหมดไม่ใช่เราดังนั้นจริงๆการเรียนศาสนาพุทไม่ได้เรียนเยอะแต่ทาไมคาสอนมีเยอะคาสอนมีเยอะเพราะคนมันเยอะจริตนิสัยคนต่างๆกันงันจริงๆแล้วง่ายง่ายไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนนะแต่เรื่องธรรมดาธรรมดานีแต่รู้ให้ถูกรู้ให้เป็นส่วนมากรู้ไม่เป็น รู้ไม่เป็นก็คือก่อนจะรู้นี่อยากรู้ระหว่างรู้ก็ถล่าลงไปรู้รู้แล้วก็เข้าไปแทรกแซงรู้ไม่เป็นก่อนจะรู้อยากรู้เช่นอยากจะปฏิบตัติอยากจะปฏิบัติก็เลยไปจองไว้ก่อนเดี๋ยวดูซิร่างกายนี้นั่งนานๆนนมันจะเมื่อยจองมันเมื่อไหร่มันจะเมื่อยเมื่อแล้วมันอยากเปลดี่ยนอิรทําบถครจองไว้ก่อน ดูจิตดูจิตก็ผิดอย่างเดียวกับเขานั่นแหล ะ, ะอย่านึกว่านักดูจิตดีกว่านักดูกายนะเหมือนเหมือนกันแหละไปจ้องจิตไว้ก่อนเช่นเอาละต่อไปนี้ถึงเวลาปฏิบัติจ้องไหนเมื่อไหร่จิตจะเปลี่ยนแปลงให้ดูจ้องจ้องไว้ก็ทื่อๆ อ, อ, อ, อ, อยู่นั่นเองไป ด, ไดักไว้ก่อนดักไว้ก่อนไม่ได้ต้องตามรู้ดมงนัก่อนจะรู้อย่าไปอยากรู้อย่าไปดักไว้ก่อนแค่สภ า, าวะธรรมปรากฏแล้วก็ค่อยรู้เอา ระหว่างรู้ก็อย่าถลำลงไปพวกเราชอบถลำเช่นรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันถลำเข้าไปรู้ท้องพองยบจิตก็ถลำลงไปเพ่งท้องรู้ยกเท้าย่างเท้าจิตถลำไปเพ่งเท้ารู้กายทั้งกายถลำไปเพ่งกายทั้งกายขยับมือทำจังหวะก็ไปเพ่งมือ บางคนคิดว่าเพ่งนี้ถูกต้องโดยซ้ำไปเขาไปตีความค่อยคําอันหนึง่งแล้วมีคําอยู่ประโยคหนึง่งบอกว่าสติปัฏฐานนี่คือการที่มีสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ก็เลยคิดว่าต้องเอาสติเข้าไปตั้งแช่ในอารมณ์ลืมไปว่าสติเกิดดับทีละขณะพร้อมกับจิตมันไปตั้งที่ไหนไม่ได้มันระลึกขึ้นที่ไหนมันก็ดับลงตรงนั้นเลยมันไปตั้งอยู่นานๆไม่ได้ก็ตั้งนานๆมันเป็นการเพง่ง ที่ว่าสติเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์หมายถึงสติไม่คลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์สห ะ, ะไม่ตกไปจากการรู้อารมณ์ปรมาทไม่ตกจากการรู้รูปรู้นามไม่ใช่ให้เข้าไปตั้งแช่ถ้าตั้งแช่อยู่กับลมหายใจกับมือกับเท้ากับท้องหรือไปแช่จ้องจิตไปมันจะเกิดการเพ่งขึ้นมามันจะเป็นการไปเพ่งตัวอารมณ์เรียกว่าอารมณูปนิชฌานการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถะล้วนๆเลย ส่วนการทำวิปัสสนาจะรู้ลักษณะรู้ลักษณะความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ของกายของใจของรูปนั้นคนละเรื่องกันค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปฟังแล้วเหมือนยากทำจริงๆไม่ยากหรอกแค่เผลอไปเอารู้ว่าเผลอก็พอแล้วธรรมะมันเยอะก็คนหลากหลายคุณเสื้อดำมาจากไหนล่ะ รู้สึกไหมฟังไปคิดไปรู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะเวลาเราคิดคุณสังเกตไหมเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมขณะเนี้ยลืมกายลืมใจตนเองแล้วรู้สึกไหมเมื่อไหร่เราลืมกายลืมใจตนเองนะเมื่อนั้นเรียกว่าเราตกจากการรู้อารมณ์ประมกักลืมกายลืมใจเราก็ตกไปจากการทำวิปัสสนาละ พวิปัสนาเนี่ยคือการที่เรารู้สึกตัวขึ้นมารู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงแต่ถ้าเมื่อไรเราหนีไปคิดเราจะรู้เรื่องที่เราคิดพอรู้เรื่องที่เราคิดในขณะนั้นเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างขณะ น, นี้คุณลืมกายลืมใจตัวเองนึกออกไหมจะคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกใจเราจะไหลหนีไปคิดทั้งวันเดี๋ยวก็แวบไปคิดแวบไปคิดนะขณะที่มันแวบไปเราจะลืมกายลืมใจ หน้าที่ของเราก็คือพอมันแว บ, บไปเราก็รู้สึกรู้ทันมันก็จะตื่นขึ้นมาถ้าเราตื่นขึ้นมาถ้าสติเกิดอย่างไปรู้กายจะเห็นทันทีกายไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ต้องคิดนะไม่จําเป็นต้องคิดเลยเพราะรู้สึกตัวขึ้นมากายจะไม่ใช่เราทันทีแต่จิตยังเป็นเราอยู่เพราะว่าเรายึดไว้เหนียวแน่นจิตมันเกิดดับเร็วเราไม่เคยเห็นมันเกิดดับเงั้นเราก็เลยคิดว่าจิตเที่ยงคิดว่าตอนเนี้เราก็มีจิตอยู่ดวงหนึ่งจิตนี่คือตัวเรา ตัวเราตอนนี้กับตัวเราตอนเด็กๆ ก, ก็ตัวเดิมเขาเราไม่เคยเห็นว่าจิตมันเกิดดับหัดมารู้หัดมาดูจะเห็นจิตมันเกิดดับเ mm. ช่นมันเผลอไปจิตที่เผลอไปมันก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็อันหนึ่งคนละอันกันะมีเมื่อสองวันนี้ก็มีคนมาเล่าแล้วตั้มเห็นจิตเผลอไปแป๊บขาดเฉยๆมีช่องว่างอันหนึ่งขั้นเห็นจิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นขาดแป๊บมีช่องว่างมาขั้น แต่เป็นจิตเสือไปอีกเขาบอกว่าทําไมเขาปฏิบัติแล้วเขาขาดเป็นท่อนๆ อ, อีกคนหนึ่งก็ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นร่างกายแต่ละสเต็ปเนี่ยแต่ละช็อตมันแต่ละช็อตแต่ละช็อตคาดออกจากกันบอกนั่นเนื้อสติปัญญามันเริ่มแก่กล้าขึ้นแล้วมันเริ่มมีปัสนาจริงๆแล้วแต่พวกเราไม่ต้องกังวล น, นะว่าเมื่อไหร่ขาดนะเพราะนั้นสันติคือความสืบเนื่องมันขาดละ วิปัสสนาจริงๆมันจะเริ่มตรงที่เราเห็นสันติขาดเห็นความสืบเนื่องของกายของใจที่ขาดเห็นจิตที่เผลอก็อันหนึ่งจิตที่รู้สึกตัวก็อนหนึ่งขาดออกจากกันเยจิต <Yes. S 1> หนี้ไปจิตแล้วถ้าขาดแล้วแบบสติปัญญาไวนะ้วจะเห็นว่ามันขาดแล้ว ม, มันมีช่องว่างเล็กๆนี้เดียวมนคั่นอยู่คั่นแล้วคนละอ่านกันอย่างเด่นชัดอย่างนู้เลยไม่ใช่ตัวเดิมไม่ใช่ตัวเดียวคับ แต่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดขนาดนี้นะรู้เท่าที่รู้ได้บางคนก็เห็นละเอียดบางคนก็ไม่เห็นละเอียดเอาแน่นอนไม่ได้แต่รวมความสุดท้ายปล่อยวางให้ได้ก็แล้วกัน